ถามในทางการแพทย์เรื่องการทำแท้งเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันถ้าทำเพื่อความปลอดภัยของมารดาคือมารดาตกอยู่ในอันตรายและพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องทำแท้งก็เป็นที่ยอมรับกันสำหรับคนทำแท้งนั้นว่าเป็นการทำลายชีวิตมนุษย์แต่กฎเกณฑ์ของสังคมหรือกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมถือว่าควรทาแต่ผู้ทาก็ต้องยอมรับผลของกรรมที่จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับทหารในการต่อสู้กับข้าศึกเพื่อป้องกันประเทศนั้นก็ต้องมีการฆ่ากันทั้งที่ไม่มีเหตุผลเป็นการส่วนตัวในกรณีอย่างนี้ในแง่ของศีลธรรมหรือจริยธรรมจะมีข้อคิดเห็นอย่างไรในกรณีนี้ก็เหมือนกับเป็นทางเลือกว่าเมื่อจะต้องเสียทั้งสองอย่างเอาอย่างนี้ก็เสียเอาอย่างนั้นก็เสีย และจะเลือกเอาเสียอย่างไหนตามหลักสามัญก็ต้องเลือกว่าเลือกเอาอย่างที่เสียน้อยกว่าเช่นระหว่างแม่กับลูกถ้าหากว่าเอาลูกไว้แม่ก็ตายหรือถ้าเอาแม่ไว้ลูกก็ตายนี่ก็เป็นเรื่องของทางเลือกในทางจริยธรรมก็มีคำสอนว่าเพื่อประโยชน์สุขที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่กว่าพึงสละประโยชน์สุขที่มีคุณค่าน้อยกว่า อะไรทำนองนี้คือหลักประโยชน์มากประโยชน์น้อยเป็นกรณีของทางเลือกที่ต้องตัดสินใจแต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามต้องยอมรับความจริงของการเสียแม้แต่เล็กน้อยที่เกิดขึ้นการที่เรายอมรับความจรงิงจะทำให้มีความรับผิดชอบอยู่แล้วจะทำด้วยความระมัดระวังไม่มักง่ายไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทำแบบสบายใจ เราจะทำให้มีการคิดเพียนพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นจนกระทั่งได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนี่คือหนทางของการพัฒนามนุษย์ต่อไปแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ถือว่าสิ่งนี้มีชีวิตหรือไม่เห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญก็จะคิดว่าเออทาไปเถอะเราไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องไปใส่ใจ ทำอย่างไรก็ได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหายิ่งขึ้นเป็นทางเสื่อมของมวลมนุษย์ต่อไปฉะนั้นถ่านใยอมรับความจริงซะก่อนทีนี้เราก็มาตัดสินใจในแง่ของการกระทาแล้วก็ยอมรับผิดชอบต่อการกระทาของเราด้วยจะเรามีเหตุผลในการทำอย่างดีที่สุดของเราแล้วเมื่อเราตัดสินใจด้วยความมีเหตุผลอย่างดีที่สุดเราก็จะมีความอุ่นใจของเรา พร้อมทั้งเผื่อใจไว้สำหรับการที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกอย่างนี้จะเป็นความดีตั้งแก่ชีวิตของตนและเป็นผลดีแก่สังคมเป็นการก้าวหน้าในวิถีทางของการพัฒนามนุษย์ชีวิตมนุษย์นั้นโดยส่วนมากที่เดียวเป็นเรื่องของการเลือกตัดสินใจว่าจะเอาทางเลือกไหนในการที่เราเป็นอยู่นี้เรื่องราวและสถานการณ์ต่าง ก็จะมาในลักษณะที่เป็นทางเลือกที่ต้องตัดสินใจสิ่งสำคัญก็คือขอให้มนุษย์มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและยอมรับความจริงเราจรึงมีหลักเกณฑ์ว่าบาปมากบาปน้อยในการกระทำอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแม้แต่เจตนาของคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่มีเจตนาไม่ใส่ใจก็บาปมากอยู่แล้ว เมื่อเขาไม่คิดพิจารณาเหตุผลทำไปตามความสบายใจไม่มีความรับผิด ช, ชอบมันก็บาปมากขึ้นถ้าทำด้วยความรู้สึกที่รับผิด ช, ชอบก็เป็นเจตนาที่ดีงามอยู่ในตัวหลักวินิจฉัยแม้แต่แค่สองอย่างนี้ก็ช่วยได้มากแล้วคือสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีโทษมากหรือว่ามีคุณมากหรือมีคุณน้อย แล้วก็เจตนาเป็นอย่างไรเจตนาดีหรือเจตนาร้ายเจตนาแรงหรือเจตนาเบานี่เป็นส่วนที่ช่วยตัดสินใจได้นี่เป็นเรื่องของจริยธรรมในแง่ของการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที่ต้องตัดสินใจที่จะถือเอาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเราก็จึงมาถึงการวางกฎเกณฑ์กติกาของสังคมว่าจะเอาอย่างไร เพื่อให้ได้ผลทางจริยธรรมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โดยยอมรับความจริงนั้นกฎกติกานี้เราวางขึ้นโดยมีเหตุผลของเราอย่างนี้ว่าเรามองเห็นส่วนที่เป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษอย่างไรบ้างกฎติกาสังคมแบบนี้พอเรามีความจริงเป็นฐานระวางไว้เพื่อคาชูจริยธรรมให้ได้ผลดีที่สุดแล้วเราก็ยุติกันได้ในขั้นหนึ่ง โดยเผื่อใจไว้สำหรับการพัฒนามนุษย์ต่อไปเพราะมนุษย์รุ่นหลังต่อไปอาจจะมีสติปัญญาและได้รับประสบการณ์ที่ถ่ายทอดต่อกันไปนี้จนสุกงอมมากขึ้นอาจจะมองเห็นเหตุผลและทางออกได้ดีกว่าเราเขาจะได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎเกณฑ์นั้นต่อไปกฎกติกาสังคมนี้มันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่อย่างที่ว่าแล้ว ต้องตั้งอยู่บนฐานของการยอมรับความจริงและทำด้วยความรับผิด ช, ชอบจริงๆเพื่อผลที่ดีที่สุดในทางจริยธรรมทำด้วยความไม่ประมาทไม่ทำไปเอาแบบง่ายๆลากเข้าหาตัวสะดวกตัวเข้าว่าขอย้ำว่ากฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่ใช่จริยธรรมแต่มันเป็นบัญญัติธรรมเรามักติดกับความคิดของตะวันตก จนแยกสองอย่างนี้ไม่ออกกติกาหรือบัญญัติธรรมนั้นสังคมวางกันขึ้นเพื่อให้ได้ผลดีทางจริยธรรมหรือเพื่อให้มนุษย์เข้าถึงจริยธรรมได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตและสังคมให้มากที่สุดและกฎกติกาหรือบัญญัติธรรมนั้นๆก็ทําให้เข้าถึงหรือเข้าใกล้จริยธรรมได้มากบ้างน้อยบ้าง และเป็นเรื่องที่เราจะพิจารณาปรับปรุงพัฒนากันต่อไปเพื่อเข้าสู่จุดหมายคือให้จริยธรรมมีอยู่และสืบต่อไปในสังคมมนุษย์